พระธรรมเทศนาจาโดเครื่องนาเข่าคำผูกติเจ็ดเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูปเปลี่ยนทำภพประโยกนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โสปิโคเนสโตเฮมะกุมมารังกะเหตตามหาวันังปาบิสิตตตาีสาธาวดุราสปุริสาตังลายอันนี้ยยจก่าวเฮหูเข้าขีดยาเมื่อนอพุทธานยอดโซ่ ช่วยผ่านถอยใจห่านเข้าดงดานป่าไม้ดังกะว่าหุ่นหลังนิยายยังไปแล้วพระตนแก้วจริงเทศนาวะโสปิโคเนสาโตดังนี้เป็นเก้าขอหนุ่มเทายิ่งายอันนั่ ง, นนงย้ายรายแลตั้งหูแผดฟังบัดนี้และนาะ โสปิโคเนสาโตอันว่านายพานบาปเศรานำเอาเจ้ากุมารเข้าดงดานป่าไม้ไปจะใจตั้งวันเตียวพัดผันโบกเล่ออมแบดเกียวปูพาเจ็ดวันมาไขจอดมันกุดสอดคนิิงในว่าเตียวมาไก่ลิยวโลด หลายสิบยอดกานาดาเป็นดงนาเตต้องไกจากห้องเบื้องคนสัตว์ไพระะสนตัวกาเตียวสอดลาสนสารแม่นกุมมานหนอดดาวจักปอกเตาคืนหลังจักสมบังดินอยากสัตว์ไร่ามากเหลือลายจักพันภายปิ๊กปอกบ่อตันออกไปไกล สัตว์ในภัยตัวหยาบเตียงกันกาไปกินถึงจากบินไหววาดด้วยอากาศไปบนยักษ์ตาุนอย่าปไร้เตียงไหลไปลงมาพรานปะลาลใจถอยเกิดแล้วก่อยเตียวไปกันตาวันใสย่อนห้อยลับเหลี่ยมน้อยอยู่กันทอนกอลงนอนอยังจอด เจ้าน้อยยอดบุญภายอิทเหเลืลอยนักกว่าเหตุดันป่ามานานใจบอบ้านอ่อนม้อยนอนแล้วม้อยลับไปพรานจังไรใจเศร้าหันยังเจ้าหลับดีกก็รีบนี้จากหันรีบบุญดันดงดอนละใส่ผู้ทอนกินกู้หือนอนอยู่เดียวดาย มันพันไายบอดจ้าเรียบอายนาขืนเมืองกอบีหันและนาโอนาตีวาเสดในวันลุนและรุงสายฟ้าพุ่งเรื่องไรเจ้าใสา่ใจปิกฟื้นสะดุ้งตื่นมืนตาและพ่อหาพันเทา ตัตติกายามนอนเจ้าอาวรหลายลากย้อนเท่าภาคไยนีบ่หันมีอยู่ใกล้ตั้งเรื่องใจทงปาเ <c oughs> จ้าบุญดาหนอยนาดหัวแจ้งขวาดในใจว่าเม็นผ่านไปสอใสหายังไม่แปลงลัวลังละควไว้นีฮื้อหันทีกับตา หรือสัตว์ดงดากระยับมากันกาบเอาไปจุ่มขวใบเขื่องใจลังละไว้หันห้อยป้อยหายซอยกว่าจอยมันเตียงถอยปลาลจุ ก, กุมาป่าไม่ละกูไวน้นีหายหรืออยากภายป่าเศรากคุมเทาปานีเจ้าบุญมีหนอไทย ซอสอดไข่าลายหนเตียวเวเ ว, วนเรียกร้องเสียงตอบทองบ่นยินมาซอสอดหาลืมเหล่าไข่ตีเก่าลายตีบอ่อหันมีสักกากบอ่อหันซักนายพรานนอโปที่ยานเจียงจันก็นีจากหันเตียวไปลัดดงไผ่ขุ่มหญ้าเอาสื่อนาเป็นไม้ ตัวเดียวได้ดันเถื่อนบอ่มีเปื่นปอสองน้ำตนาตน้องบาดไม่แย่ร้องให้ก็แย่เตียวไปก็มีหันแลยนาตาตาในกาลนั้นเตวาดาตั้งหลายมวนหมูอันตั้งอยู่ดงด้านหันน่อโปที่านหนุ่มเดาตกป่าเศร้าดงนายินคุณนาลายหลาก จิงออกปากเตือนกันว่าจุมเราหันจูผู้ยังเจ้ากินกู่บุญมีตกดงรีทองเถื่อนบ่มีเปื่นพอสองเ <c oughs> ม่นบอ่ปองเข้าไก่เอเจา้าดอไทยบุญภายได้บำบายมวยมังกางปากกว่างดงนาขุนอินตาเต่าไทย ยังจักใส่ตนดักรรมตอดนานําหลายแลจักมีแก่เราราเหตุนานาอย่ากจะตัดแดนป่าให้มันจุงเห็นกันเฝ้าพออย่าให้เจ้าหนอบุญภายเป็นอนตรายร่อนไม่้เฮรถใดสัตว์สดีเตวดามีมวนหมู่ ร้องเอ็นู่ปันกันเฮอเห็นกันพอเฝ้ารักสาเจ้าองค์คำพับดงดำพระเตตัดดาวเขตภัยมันจู่คืนวันคำเจ้าหฮ่หนอเจ้าบุญมีได้สวสดสดีก้อยกาดจากอุบัติอันตารายกอบีหันและนา อันว่านอโพธิญาณตีไวแต่ป่าไทยรักษาสัตว์ต้องด่าอย่าไรบ่ต้องภายมาป้านลูกไม่หวานบ่ไรดูต่างใจเอากิน <c oughs> ตกเหนือดินบ่น่อยพองหอยน้อยจำลำเจ้าองค์คำนอลาเอาสื่นาเป็นไปค้ามที่ไหนนอนหัน แจ้งแล้วด àn. ันดงตันลายขึ้นวันมาไข่จริงป้ะใสราสีจื่อธมรมววตีวิเศษจบแจงเป็ดธรุงยานกางดองดานปากกว้างตีจิมคางดอยผาตามเตวดาเถื่อนทองหากจากจ้องป้าไฟเจ้าจอมใจยศใหญ่ไปรอดไกอาราม หันดอกงามลายแลพงบ้านแพร่นำนาตั้งภาลาลูกไม้มีบ่อไรหลายพันหล่นทมกันดารดาดกไกอาวาเจียงจีหันราสีภูเทาถือกะเจ้าเตียววาเก็บภาลาน้อยใหญ่อันหล่นไม่บัดเดวเจ้าตาเขิยวน้อยนอดีซ่อนพ่อปิจจรณนา ว่าคนได้จานี่เล่าหนุ่งพ้าเก่าเล่นลายหนวดเง้วลายแต่ใส่หมวดเก่าไว้เป็นจ้าดาดอยู่ดงนาเทือนทองกะไอจ่าของปุรีเป็นราศีบุญกวางมาอยู่สังสมปานหรือหยักมานอยากจ่าหรือผีป่าดงตันเนี่ยคือหันต่อหน้า เพื่อจะขากินกูหรือจักจสงยู่ือขึ้นสู่เมืองคนหนอตาสะพนตีไว้คนิงไขในใจว่ากูวรกูไปจากกา่าืฮหูข่าวตามมีให้หรือดีเฮหูจักหมู่หมูม่มรารดาหรือติขาเทียงมันจุงไห้หันปลายลูน นอตุนบุญน้อยนาดก็ใหยาย่บาทตวลาเข้าไปหาตีไก่เจ้าตีไวรัสีก็มีหันเลยนาส่วนราสีบุญใหญ่อยู่ป่าไม้เมินนานหันกุ ม, มารหนุ่มเนาเตี้ตตยวไต้เต้ามหาบ่อสังกาสักญาต เหตแจ้งขวามหันดีน้อยรอยที่หลวงแล้วว่าจักมีเจา้านอแก้วบุญ น, นำลงดงดำป่าเศร้ามารอเจาอ้ายำวันราศีหันแจ้งขี บ่มีตีสงสัยกันเจ้าจอมไต้หยดใหญ่มารอดไกลกองตาจริงเขียนจาตานก่อนป่าเจ้าน้อยอ่อนใส่ใจรีบเรีวไว้เข้าสู่ยั่งที่อยู่ศาลา แลอวปุจชาที่ทอยว่าดูระเจ้าน้อยใจเดียวเจ้าเดินเตียวดันเถื่อนบอมีเปือนป่อสองมีใจปองใครได้ของเครื่องใจอันใดอยู่เมืองไหนนั้นเล่าพ่อแม่เจ้าจื่อสั่งจ้าสันได้มารอดนี้จุงกาวจี้ปันฟัง นอปุด ท, ทั้งยอดซอยก่อตอบทอยตามมีเฮระสีเป็นเจ้าูแต่เก่าถึงปายด้วยปริญญาทวนที่เฮเสียงตีสังกาแล้วปุชชาตันเหล่าธรรมส่งเจ้าจีไพร ย, ย้อนมีใจใครหูว่าตันเจ้าอยู่ดงดานหึงเบิ่นนานแต่ไทยหรือเกิดป่าไม่ดงดอน หรือเกิดนากรแขวนกวางมีจื้อองังสังจ้าสันได้มาอยู่นี่มีจือ้อจีสันได้หรือเป็นยักษ์ไพรเพเท่ามาอยู่เฝ้ากินคนเรือหลงไพสนเทือนทองบอกหูจ่องขึ้นหลังลวดแปงยังตีอยู่บอกอกสู่ปาราขอคุณนะ้าเก่าได้หูตามีแดเตอ ที่นันราศีบุญใหญ่จบแจง้งไข่ถ้ารงญานจริงใครคานตอบท้อยให้เจ้านอน้อยตามมีว่าเดิมทีนันใสเราอยู่เมืองใหญ่มิทิลา <c oughs> เป็นาาพญาสเวชเจ้าภาสัตรหอคำเมือนนานำแต่โสเราหันโตสนสานจริงคละการคะราวาัตละภาสัตรพังกา ละเสนาภัยน้อยตั้งคาคอยคนในละเวียงใจเตต้องมาอยู่ห้องดงรีเป็นระสีปากว้างเพื่อก่อสร้างสมปานอึงเหมือนนานบน่้นยได้แปดร้อยปีไปเราบ่หมายปิ๊กปอกวายน่าออกขึ้นหลังเหตุเราหวังไปรอดอำมตยยอดเนระปาน กันไข่าขานกาวแล้วเจ้าตนแก้วระศีก็ไขว่าตีต้านต่อว่าดุราเจ้าหน่อสายเมืองเจ้าอย่าเคืองต่ำก้อยอดใจก้อยบรนเตา อยู่กับเราไปก่อนเจ้ายัางอ่อนเด็กขาถึงวันมาปลายนากันใหญ่กาทีขา้าก็แอไกกาลาภาคออกไปจากดุงรีเราได้หนีจากห้อง้องเขตต้องเบืองคนมาไพรสนป่าเศร้าบวชเป็นเจ้าราสีแปดร้อยปีฝ่ายเศษอยู่ในเขตดงไย บ่มีไผยเดินสอดพดมารอดกองตาบัตดนีนะตัวเจ้าใดไตเต้ามาจูเราโมต้บ่หนอ่อยใจจืนจ้อยใจบานอคอกุ ม, มันน่อตา อย่าฟังฝ้าโนีไกจุงอดใจยังอยู่เพื่อเป็นกูจอมกันกันไครปันก่าแล้วก็ให้เจ้าหน่อกแก้วบุญนาอยู่ศาลา ร, รวมเจ้าเพื่อพอเฝ้ารุมรักและนะา ตอต่อปัญญาแรกแต่นั่นไปไปนาเจ้านาลากุมมานอยู่ดงด้านป่าเสากัปตันเจ้าระศีปฏิบัติ ด, ดีบอ่อขาด บอ่อพมาาละสาเก็บภาลาลูกไม้ตามติไกอาศร ม, มีอูดมหลายแหล่นำมาแผ่เกณฑปันเฮตั้นฉันต่างเข้าคือมาเต้าแต่งลาย หมากหนุ่นย้ายเป็นถอยหมากไฟหอยจำลำกลวยตีบคำเคื่อใหญ่มีพ้อไข่นาหน้าเจ้าเก็บมากูเจ้าเกฑนแก่เจ้าทารงญยานเก็บดวงบ้านหลายสิ่งกันท้านยิ่งหลายอันใส่เนื้อขันตั้งไว้หื้อตันใดปู่จ้าความสโสกาไม่มาดก้อยก้อยกาดบางเบา ยังกว่างเมาเป็นเตือขึ้นไฟเอื้อเป็นตีเจ้าระศีบุญใหญ่มีใจไฟใจจมสอนอาคมมลเสกอักคราเหลคลายสารมีภาคานบโน้อยกือเจ้ายอดซอยบุญนาโนพุทธติไว้ก็เฮียนใดบัดเดี้วพันยาเร็วองค์อาจจบฉลาดสับปัน ราสีหันจมจมื่นปีติตื่นยินดีสิบปาคุณมีบ่ไว้สอนเสียงไขจูอันอันกอมีหันและนา <c oughs> อเิกาตีว่าสั่งยังมีวันหนึ่งใสเจ้าดอไทยบุญนากาพุทธช า, ามเเล่าเสง่งตันเจ้าจริงจี ว่าป่อระเสติไวบอกข้าวไวยามมาว่าจากปาระเตต้องมาอยู่ห้องดงดานหึงเมื่อนานบน่โนยได้แปดร้อยปีปายจูหลายด้ก่าวแกเรือว่าแต่สัตจังพอเนื้อนังพ่อเจ้าสั่งบ่เท่าจาราตัวกาญญาผิวผ่องวันณะสองเรื่องไร โอ้ตาใสสว่างแจ้งดังบ่อแหงเสียวันตั้งเขียวฟันคบไข่บ่อกังไก่ลงลำผมยังดำบ่องอกคะเนมอกมัดจิมาไวเป็นสันใดดังอีคอเกาวจี้ตามมีส่วนราศีผู้เท่าฟังคำเจ้าจะทำด้วยคำงามทวนทีจริงเกาวจี้ขีญยา วาดูระสายตาเฮยนอนน้อยเจ้าเกาทอยกำได้ปอยังไขบ่ได้จุงอดไว้หลายปีกันเจ้าบุญมีนอลาเยอกว่าสิปาย จักผันภายนี่จากบ่หนี่หากจักจากใครขีญาเหล่าเก่าฮือแก่เจ้าจูภาการรอโพ่นที่นั้นหนุ่มเนาฟังคำเจ้าระสีใจหนึ่งดีจึนจอยใจยหนึ่งต่ำก้อยเกรื่องเก้าว่าสั่งบ่จากเก่าเฮือได้หูเดียวไว้สั่งรอไปเยืนไว้ฮือบคบไครหลายปี เจ้าบุญมีหน่อเต้าบ่อตานเกากำได้เต่าอดใจอยู่เฝ้าปฏิบัติเจ้าทรงธรรมอยู่ดงดำป่าไม้บ่หมุนไม่เครื่องขี้ สำรันดีจื่จ้อยกับเจา้ายอดซอยทารงยานตุกบอ่อปานตกปาดบอ่อขึ้นวาดนี่ไกลบอ่ออาไรใจของถึงแห่งห้องปุรีก็มีหันแลยนะ นหลายปีมาไขเจ้าหดอไทยใส่ใจจำเรือนไว้ขึ้นใหญ่อายุได้สิบปีญาตาเลยมีเมื่อใดดังอันตาตาในกาลนั้นลาวราสีเจ้าสินใสพิดจารณาได้หัวหลอดว่าเจ้าหน่อยยอดบุญมีจักได้หนีเจียนจากตามวิบากมีมา ตาภาษาบุญใหญ่ยอยู่ป่าไม่ปั๊มเพ่งทมจักตอบคำนอเต้า อ, อันถามข่าวเดิมออนดังทกทอนตื่นหลากเอาน้ำจากนีไกเจ้าสินส้นใสเกึดแล้วก่อป้าเจ้านอกแก้วบุญนาจากศาลาที่อยู่เข้าไปสู่ดงไพบ่อนานเต่าใดก่อรอดเขายั่งจอดหิมดอย สูงจอ่อยโวยสุดพ่อหินพากอกองกันน้ำพัดพันไหลาลากตกลงจากแปดดอยแตกเป็นฝอยส ว, สว่าแล้วตกกว่าลงมาสายธาราทุ่ทังดังละลังเดืองนั้นตกห้อมกันไหลแลกลายเป็นแม่นาทีปูปาบมีไหลหมูเล่นสะสูกไปมา ปากกูหาทำกวางอยู่จิมคางวังทานคนสามารตต่ำต้อยตั้งไผน้อยยิงใจบ่อาจหมายหูได้ว่ามีทำใหญ่ไปในเจ้าสินใสบุญใหญ่พระเจ้าดอไทยใส่ใจก้อยเตี้ยวไปตีไก่ปากทำใหญ่กูหา เสกกถาสามขาเป้าสราสามตีเอามือตีหินใหญ่ทวนคบไข่าสามคำเจ้าองค์คำน้อยนอสั้นตาพออัศจรรย์ เสียงเดืองนั้นมีกองดังจากของใดดอยนําเป็นฟอยตกตาดก่อแห้งขาดบาดเนียวดยเข่าเขียวลูกใหญ่สันั้นไข้เพื่อนคอนก้อนหินทอนกระพาดออกจากป่ากูหายักพดมาบอดจ่าถือเครื่องคากั๊บตนซองตามุนเต้าบาดสูงขนาดปลายตา นั่งตองยันยันหอยลายพาพ้อยตั้งตัวผมยังหัวงอ ง, งอดหนวดตวงตอดไปมาพอเขี้ยวงากดโก่งหูดังลงพื อ, พอเจ้าบนญลือหนอดไทยหันยักไ่เดือดลายยินกวัวตายร้องให้กอดราศีไว้บัดเดียวก็มีหันแลยนะ โซยักคออันวายักตนนันนาไร่โหดมันเครื่องโคตรเดือแห้งสองตาแดงวาววาดเอาคอนฝาดก้อนหินปอแผ่นดินสะตานควายจุดานดงดานมันจะหันตันเหล่าสึ่งตันเจ้าระสีว่าข้าดอนดีแต่ใส่บ่อตันใดถึงวันพงลับฝันหมอกมวน ตานบาดวนเบียนพีเป็นราศีปะาไม่สั่งบ่อไตตามกองรือใจปองไขได้ของเคืองใจอันใดจิงเตี้ยวไก่ดันสอดพดมารอดถึงเรารือจากเอาเด็กน้อยเฮเราดอยกัดกินนั่นจ้า อาปาสาผูา้เท่าจริงตานเหล่ากำไปว่าเรามีใจใข่สอดแออดันหลอดกูหาอากาญยาสงเทตในน้ำวิเศษเจียงคาญจริงป้าลานนมเนาก็แอตยัยเต้าเตียวมาจุงคุณนาลาภาคนี้เว้นจากกองตั้งจุงปงว่างปันขาดอนุญาตเราไป ยักตาใสปูเท้าอันอยู่เฝ้ากูหาฟังคำจาที่ทอยแห่งเจ้าหยดซอยเจียงจี้เอามือสีหิมปากจักหนวดหลากไปมาไฟออกตาว่าวูสองเกิ้วหัหักกันกัดเขียวนั้นงาดงาดจากหาดปลาลาวตันนีนากยาบ สังมาอาบลายที่แปดร้อยปีก่อนกี้กอมานีลงดำอาบยายำวิเศษบ่อเสียงเขตยาดีตันหามีลำหมกปล่อยปิกปอกขึ้นมาวังอาบยาแถมเหล่าซ้ำที่เก่าสองที่บุญตันมีเต่าอันอยาคึดดันไปลาย อันย่ามมยได้อาบดำสราบสองหนยักไปบนยดใหญ่ยัง อ, อาบได้หนเดียวคนเดินเตีวตยวใต้ต่ำจักอาบซ้ำหรือมีอันจุงนีอย่าจ้าปิ๊ปอกนาไปปันเราบ่ปันห้เจ้าอาบลืมเล่าสองหนแลยนะ ส่วนราศีบุญใหญ่จบแจงไข่ทรงยานจริงจาวานต้านตอตอบถอยลลอกำําปว่าดูระยักษ์ดงใครยดเยาภาพไข่ดาดงนา เราบอบหาธานาไข่าอาบดำสราบสองตีตะวาลานเรามีหนุ่มน้อยติดจองห้อยตัวมามีบุญนาแต่เล่าเป็นหนอเจ้าคุณธรรมกวนหลงดำส่งเกตในน้ำวิเศษเจียงคานกำสมปานหนอไทยเราเตียงได้บุญหลตั้นจุงภายแฟโพดอย่าได้โคดแห็นกัน แปลงใจมันแผ่กว้างแล้วเว้นบางต่างเตียวเราไปเร็วบ่อจ้าจักอายนาขึ้นมายักปลาละหาเท้าจริงตานเก่ากำไปว่าตานได้ข่เก่าวถอยว่าละน้อยมีบุญกวนดีนุ่นเติีมกำได้อาบนำเฉียงคานแทงสมปานหนอไทยฮืออยู่ได้ตีขา มีแต่กาขอพอฮือแจ้งต่อสายตาแม่นมูสาหลาเลี้ยวกูจกเกี่ยวหลงคอยักผมง้อกาวแล้วก่อนยกเจ้านอแก้วบุญลือวางบนมือมันไว้พิจารณาไขกัญญาพืนปาตาติ่นเจ้าพ่อลืมเล่าหลายตียักดงรีหูกิ้วเนี่ยตาลิวเล็งแล ว่าบุญนาเกตนอเต้าแม่นกำกาวไขปันยักดงตันป่าเศร้าก่อวังเจ้าบุนควางแล้วหลีตังละไว้เฮระศสีใหญ่เตียวไปก็มีฮันเลยนะ โสตาปะโสอันว่าเจ้าราศีตนบุญใหญ่อยู่ป่าไม้เมือนนานถ้ารงยานบ่เศร้าก่อป้าเจ้าบุญนาเข้ากูหาบ่จายักจอมกว่าตัวไป พอหันหนที่แจง้งไขจุแห่งอาณาแงามต่อตาวาววาดมีภาษาคำแดงพอเป็นแสงว่าว่องอยู่กลางต้องกูหามีบุพผาหอมหือนกันถ้าจืนเอาใจถ้าลบไปตัวดาวใจจืนเย้าเจอย้านเจ้าถ้ารงยานไปรอที่ภาษาภาษาสัดยอดใส่สี ขอคือเจ้าบ ja ุนมีเล่งผ่อยังน้ำบ่ย่ายำน้ำเป็นคำว่าว่องอยู่ปืนห้องผังกาแล้วใครจะบอกกาวหื้อความเข้าความในว่าคนไดน้อยอ่อนอายุยันสิบปีอาบยาดีวีเศษย่อมถึงเขตปมไม้นึอหนังหายแล้วแลกดูกน่อยแตกหายไป ส่วนคนใดใหญ่กาอายุกว่าสิบปีนาบุญมีได้อาบดำสาราบการาะย่อมใหญ่มาบ่จ้าหันต่อหน้าเร็วไว้หายป่วยภัยพ่านหาดมดเสียงขาดอุนตรายอายุหลายแต่ใสจุ่มเหมยไข้หายนี้ เจ้าราศีกล่าวแล้วก็คือเจ้าหนอแก้วใสใจรีบลงไปดำอาเพือสราบกาญญาหนพุทธตีไว้ก่อขึ้นใหญ่เร็วไว้หันตั้นใจต่อหน้าดังอาโยกว่าสาวายรวบคิงภายฝ่องแผวงามเลิศแล้วเลือค้นดังเทวาบุญฝากฝ่าลงสู่นาปัทวี เจ้าเจียงจีนยอดซอยยินจื่นจ้อยนำนารีบอําลายักเท่าป่าเอาเจ้าจอมใจรีบเปยวไว้ขึ้นสู่ยังตี้อยู่อาสะรมก็มีหันเลยนะตาต่อปัฏานยาแรกแต่นั้นไปไปนาบอเดินจ้าหึงนา น, น่อผูบ้านยดใหญ่ก็ขึ้นไข่คะนิงหา ยังพระพิตาป่อเจ้าและแม่หนนาเทวีว่าตายเป็นผีมวยมางกังแม่กวางวังบนหรือเป็นคนตั้งกู่ใดข้างอยู่แดนใดกวรกู่ไปส่อสอนหาสองยอดองค์คำแม่นบุญนำมาไขเตียงจักใดเล่งหันกว้เร็วปั้นยาจ้าออกจากป่าดงดอน ไป น, คนาคอนตันเต้าซ้อนทำข่าวขีนยาควรไว้จา่าบอกเล่ายังต่ันเจ้าระสีให้รือดีตันหูคอตันอูไขปันนนอจอมทานนมเนา้ามองบนเส้านำนาลายวันมาคบไขรอดบ่อได้เหลือใจ เป็นดังไฟเอาไหมจริงน้อมใบราศีไขว่ที่บอกเล่าฮือตันเจ้าตามมีก็มีวันนั้นแลยนะเนทิตังขีญาสังวันนาน า, นาวิเศษจาห้องเหตุนาเ ข, ข่าคำผูกทวนเจ็ดยังไปเซ็จเสียงขอด ย้อนวันยอดมันบางจริงขอวางยั่งก่อนยังพักพ่อนเอาแรงเจ้าจอมแป้งกินกูจักไปสู่แดนใดก้อยอดใจอยู่ท่าฟังผูกนาตวยไปก่อบังกุมสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล